ตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้มานำอาหารมาถวายนะอาหารที่ถวายนี่ก็ถือว่าเป็นทานและขึ้นชื่อว่าทานนี่ก็เป็นบุญนะก็ตลอดเวลาที่ได้มาในประเทศอิสาราเอลที่จริงรวมทั้งยุโรปทั้งหลายประเทศเนี่ยก็ได้รับความเอื้อเฟื้อนจากญนะายงคนไทยมากนะอาตมา อิสราเอลนี่ก็เป็นประเทศสุดท้ายนะที่อาตมาเดินทางในต่างประเทศเที่ยวนี้ก่อนหน้านี้ก็ไปอยู่ที่ยุโรปมาก็ไม่กี่ไม่นานนะส4ีอาทิตย์ก็ไปแสดงธรรมให้กับคนไทยตามที่ต่างๆทั้งฮอลแลนด์เยอรมันแล้วก็ประเทศเช็กนะสเปนอิสราเอล แล้เราก็สวิสล้วก็อิสราเอลเป็นประเทศสุดท้ายนะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นไปได้ก็เพราะความสับสนุนเอือเฟื้องของคนไทยนะเราก็ได้สายไกลยังมิตรต่างชาติเลยเพ่ววาะคนท้องถิ่นได้ช่วยหลายแห่งมาที่นีก็บรรยากาศก็แตกต่างจากยุโรปเยอะนะมันไม่ใช่แค่ความแตกต่างด้านปูเมีอากาศอย่างเดียวนะมาที่นี่ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ เรียกว่าปิดหู ป, ปิดตาเช่นได้มาเยือนมาเห็นเมืองเก่าๆนะแต่มาเป็นคนที่สนใจปรนะวัติศาสตร์แล้วก็ได้ไาเจอเมืองเก่าๆอย่างเช่นเยรูซาเล็มเนี่ยโหประวัติศาสตร์เก่ามากไม่ใช่ 2,000 ปีนะ 3,000 ปี 4,000 ปีในะช่แค่เฉพาะจัฟฟานก็ 4,000 ปีขึ้นไปแล้วนะแต่ว่าซากเก่าๆประเภท 4,000 ปีที่แล้วไม่ค่อยเหลือเหลือแค่ 2,000 ปี สมงัปีของที่นี่ถือว่าเล็กน้อยนะแต่ของบ้านเรานี่อะไรวัดแค่เก่า1 0อปีนี่ก็ถือว่า่ัดพระแก้วนี่วัดวัดวัดวัดระคังนะพระธาตอัสทูกนะแ่เจดีวัดระคังนี่อายุแค่ร้อยกว่าปีนะเกิดเกิดมีกระเบื้องตบโลนขึ้นมานี่ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะต้องรีบไปซ่อมเพราะว่า เก่ามากมันร้อกว่าปีแต่ของที่นี่บ้านเรือนผู้คนนี่นสี่ห้าปีนี่เรื่องธรรมดาน ะ, นะได้เห็นความเก่าแก่ก็โหเพราะที่นี่มันเป็นแหลง่งริยาธรรมในตอน อ, อ ก, กลางนะอันนี้ที่แปลกตาที่เปรูปัตยอยันนึ่งก็คือได้มาเห็นอย่างเช่นทะเลทรายเนี่ยนะที่นี่ประเทศทะเลทรายกเกิดทั้งประเทศใช่ไหมแต่ว่ามันสามารถเข้าเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่เขียวขจีได้ใช่ไหมแล้วเขาก็สามารถที่จะปลูกผลไม้ที่ อร่อยและหอมหวานใช่ไหมคือในความเข้าใจของคน ข, ข, ของคนไทยนะผลไม้แบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องเป็นที่แบบมีฝนตกเยอะในพื่นปา่าเช่นเขตปาฝนเนี่ยแต่ที่นี่เนี่ย เ, เขาสามารถที่จะปลูกต้นไม้ที่อร่อยได้จากพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายนะนะของเดิมเนี่ย มันไม่ดีเลยนะแต่ว่าเขาเอาของใหม่หรือว่าเอาเพิ่มเติมสิ่งใหม่เข้าไปเช่นเพิ่มน้าเพิ่มปุ๋ยเข้าไปทะเลทรายมันก็กลายเป็นพื้นที่ที่กลายเป็นพื้นที่ที่จะเรียอุดมสมบูรณ์ก็ไม่เชิงแต่ว่ามันก็สามารถที่จะทาให้มีผลไม้ที่อร่อยได้เนี่ยเปลียบไปมันก็ให้เป็นคติธรรมสำหรับชีวิตนะชีวิตคนเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะลาบากยากแค้นอย่างไร นะอาจจะเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนนะหรือแม้แต่ว่าจะพิการนะลำบากยากแค้นเนี่ยแต่ก็สามารถไม่เกินวิสัยที่คนรอนจะเปลี่ยนนะให้กลายเป็นเป็นชีวิตที่มีความสุขได้ หลายคนเนี่ยมักจะบอกว่าเนี่ยโอยฉันเกิดมาลำบากฉันเกิดมาลาบากครอบครัวก็อยากจนนะการศึกษาก็ไม่ดีบางทีก็มองไปถึงว่าเนี่ยเป็นเพราะชาติที่แล้วมั่งทำกรรมไม่ดีเอาไว้นะชาตินี้ก็เลยอยากจนชาตินี้ก็เลยมีปัญหาต่างๆเช่นเจ็บป่วยะอะไรต่างๆที่จริงแล้วเนี่ยนะทุนเก่าเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับทุนใหม่ ใช่มแม้ในพื้นที่ทีเ่เป็นทะเลทรายเนี่ยเป็นทะเลทรายมา 2,000 ปีแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะปลูกนะสามารถชลฟื้นให้มันกลายเป็นพื้นที่เขียวขจีได้ น, ะนั้นหลายคนี่ที่บอกว่าเนี่ชาตินี้เนี่ยนะทุกยากเพราะว่าทำกรรมไม่ดีไว้ในชาติที่แล้วนะอันเนี้ยมันยังไม่ใช่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะเพราะว่า ถึงแม้ว่าทุนเก่าของเราจะไม่ดีเราไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยเราไม่ได้เกิดมาด้วยร่างกายที่ที่มีสุขภาพดีแต่ถ้าเราไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยนะเราพยายามมีเรามีภาพเพียรความภาคเพียรพยายามมีการศึกษาหาความรู้เราก็สามารถจะพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยให้ให้ประสบความสาเร็จแลวก็ มีความสุขได้คนพิการหลายคนเนี่ยเกิดมาแบบไม่ตาบอดบ้างบางคนก็เกิดมาแบบไม่มีมือไม่มีเท้าบ้างอย่างเช่นญี่ปุ่นคนนึ่งเนี่ยชื่อโอโตะสึกิจนะแกเขียนหนังสือชื่อไม่ครบห้าเป็นเรื่องราวของชีวิตแกทั้งเรื่องเลยที่ไม่ครบห้าเพราะอะไรเพราะแกไม่มีแขนไม่มีขามีแต่ตัวไม่มีแต่หัวก็ถือว่ามีแค่มีแค่มีแค่หนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ห้า พวกเราเนี่ยครบหแต่โอทอสเกตเนี่ยมีแค่1น่ขาดไปสจะแตเขาเป็นคนที่มีความสุขนะเขาเรียนหนังสือเขาก็เรียนเรียนจนจบหมหาวทยาลัย ท, ทั้งที่เขียนหนังสือก็ยากแต่เชื่อไหมเขาเล่นบาสเกตบอลได้ใช่ไหมเขาเขียนหนังสือได้เขาเขาสวมเสื้อผ้าได้ด้วยตัวเองเขากินข้าวด้วยตัวเอ ง, ท, ง ท, ทั้งที่เขาทั้งที่เขาไม่มีแขน มีแค่ติ่งเล็กๆเนี่ยนะแล้วเขาก็สามารถเขาก็มีความสุขด้วยไม่ใช่แค่เรียนจบทำงานประสบความสำเร็จเขามีความสุขเขาเขียนประโยคหนึ่ง <S <S ผมเกิดมาพิการแต่มีความสุขและสนุกทุกวันนะทุนเก่าเขาเนี่ยนะมันไม่ดีใช่ไหมเกิดมาเนี่ยพิการแต่เขาสามารถสร้างทุนใหม่ขึ้นมาเฉิดหาความรู้นะ แล้วก็พยายามช่วยเหลือพยายามใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ไม่มีแขนมีแค่ติ่งก็สามารถจะมาใช้กินข้าวตักจับจับช้อนตักข้าวใส่เสื้อผ้าไดนะ้มีพี่คนหนึ่งเกิดมาสมองพิการในชาวไต้หวันชื่อหวังเหม่ยเหลียงนะสมองพิการ พูดไม่ได้สื่อสารด้วยการเขียนแล้วก็เดินไม่ได้ต้องนั่งรถนะแต่เชื่อไหมเขยเรียนจบปริญญาเอกที่อเมริกานะมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย UCLA ชื่อมั็นอันดับต้นๆของโลกนะอา ต, ตมาจะไม่มีปัญญาเรียนถึงขนาดนั้นเลยนะแต่แกเรียนจบถึงปริญญาเอกนะทำได้อยางไงใช่ไหม ตั้งที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาขาดขาดโน่นขานนี่แต่เขาใช้สิ่งที่เขามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์เต็มที่รวมทั้งพยายามที่จะาหาเรียกว่าเพิ่มทุนใหม่เข้ามานะทุนใหม่ก็คือความรู้นะเนะพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเรามีความเข้าใจนะว่าที่เราลำบากเนี่ยเป็นเพราะว่าเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนหรือว่าทํากรรมไม่ดีเอาไว้นะ เราไม่เถียงกันในเรื่องนั้น <_ an> เพราะว่าไอ้เรื่องกรรมที่กรรมในชาติที่แล้วเนี่ยมันเราไม่รู้ใช่ไหม <_ an> แต่อย่างที่เรามาบอกว่าทุนเก่าไม่ดีแต่เราสร้างทุนใหม่ได้ก็เห <_ an> มือนกับครอบเหมือนกับแม่ครัวนะแม่ครัวเนี่ยทำไมบ้าแม่ครัวบางคนเนี่ยมีของไม่กี่ชิ้นแต่เขาปรุงอาหารให้อร่อยได้ใช่ไหมแต่ที่บางแม่ครัวบางคนเนี่ยมีของครบทุกอย่างเลย แต่ปรุงอาหารไ ม, ไม่อร่อยเลยใช่ไหมเราจะไปบอกว่าปรุงอาหารอร่อยเพราะว่ามีเครื่องเครื่องเยอะไหมมันไม่ใช่คนที่บอกว่าจะปรุงอาหารให้อร่อยต้องมีเครื่องเยอะเนี่ยนะแสดงว่าไม่เข้าใจคนที่มีเครื่องน้อยเนี่ยนะวัตถุ ด, ดิบน้อยแต่ก็สามารถจะปรุงอาหารให้อร่อยได้เพราะอะไรเพราะฝีมือเพราะว่ามีความใส่ใจมีเพื่อตอมาคนนึงเล่าเนะี่ย แกอยู่ที่ฮอลแลนด์เวลาไปเมืองไทยแกก็จะไปร้านร้านขาหมูข้าวขาหมูแถวหนึ่งที่หนึ่งแถวแจงวัฒนาหรื อ, อินธรรมละเนี่ยนะอร่อยมากนะเป็นเป็นเป็นคนจีนนะแกก็เรียกว่าอามา่าหรือไงอร่อยจนข้าแกก็ถามว่าเนี่ยไปถามอาม่ามเนี่ยทําไมถึงกินอาหารได้อร่อยทําไมถึงปรุงอาหารข้าวทาไมปรุงข้าวขาหมูได้อร่อยนะแกมีเครื่องอะไรดีไหม ใช่ไหมมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าแค่แตอบคำเดียวใส่ใจเวลาอ้วห์ทำอาหารเนี่ยทำาค่าค่ามอใใครองอ้วสใส่ใจใจสำคัญมากนะมันไม่อยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้ยที่ที่เครื่องปรุงม่อยู่ที่ที่วัตถุดิบมากเท่ากับใจใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนจะเพราบว่าข้าวที่บ้านเนี่ยอร่อยกว่าข้าวในพัตคา อาหารที่ปัตตคารเพราะว่าอาหารที่บ้านเนี่ยแม่เนี่ยเอาใจใส่ลงไปด้วยแตไม่ใช่แค่มีเครื่องเครื่องครบแต่ไม่ใส่ใจลงไปหรือไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็ไม่อร่อยชีวิตเราก็เหมือนกันนะชีวิตเราในบางคนเนี่ยนะเหมือนกับแม่ครัวที่มีอาหารมี ม, มีมีเครื่องปรุงมีวัตถุดิบน้อย <pareil. S 1> บางคนมีวัตถุดิบมากใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามีวัตถุดิบน้อยจะปรุงอาหารแม่อร่อยไม่ได้แปลว่ามีวัตถุดิบมากจะปรุงอาหารอร่อย ใช่มมันอยู่ที่ว่าความใส่ใจด้วยนะแต่นอกเหนือาความใส่ใจแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างซึ่งก็ซึ่งสุดเลยก็คือความเพียรพยอยางนะยังใครที่บอกว่าเนี่ยชีวิตฉันแย่ฉันลำบากลำบนเพราะว่าชาติที่แล้วทำคงทำกรรมไม่ดีไว้เนี่ยอันนี้เข้าใจผิด <S <S นะถึงแม้เราจะเราจะมีทุนเก่าไม่ดีแต่เราสร้างทุนใหม่ได้นะ นันกเนี่ยอิสราเอลมันเขาสอนสอนเราหเห็นชัดเลยนะว่าถึงแม้ว่าทุนเก่าของเขาเนี่ยจะแย่ไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยนี่โอ้โหทุนดีใช่ไหมน้ำน้าท่าอุดมสมบูรณ์นะฝนก็ดีนะพื้นที่สีเขียวนะอิสราเอลทุนเก่านี่เขาน้อยนะแต่ว่าเขาใส่น้นใส่นี่เข้าไปความเพียรพยายามสติปัญญานะ พื้นที่เสเลสไซด์ซเเติมน้ำเข้าไปใส่ปุ๋ยเข้าไปก็ก็สามารถที่จะผลิตนะผลไม้ที่อร่อยดอกไม้ที่ที่สวยได้นะไอ้พวกเราเนี่ยถ้าหาว่าเราต้องการชีวิตที่มีความสำเร็จเจริญ ง, งอกงามมีความสุขเนี่ยนะอย่ามัวไปอย่ามัวไปไปอย่ามัวไปนึกไปมองแต่ว่าเรามีอะไรมาบ้าง แต่คุณมองว่าเราจะหาอะไรมามาเพิ่มนะตรงนี้แหละนะที่ธรรมะยัจะช่วยได้เพราะว่านอกจากวิชาวความรู้แล้วเนี่ยธรรมะธรรมะก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปัจจัยที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะถึงแม้ว่าเราจะถึงแม้เราจะถึงแม้เราจะมีน้อย แต่ถ้ามีความรู้จักพอเราก็มีความสุขได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักพอมีมากเท่าไหร่เราก็ทุกนะอันตรามีเพื่อนคนหนึ่งนะเป็นเป็นนักเล่นหุ้นแกเล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยเจอเจอคุณป้าคนหนึ่งที่ตลาดหุ้นคุณป้านี่เนี่ยแกเล่นหุ้นซื้อถูกขายแพงทุกวัน คุณป้าคนนี้ก็บอกว่าเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยขายหุ้นไปตัวหนึ่งรถใหญ่ขายได้กำไรสิบล้าน <inaudible> เพื่อตามาเาก็บอกว่าขอแสดงความยิงนดีด้วยครับคุณป้า10ล้านนี่มันเท่าไหร่เท <inaudible> ่ากับอรางวัลที่หนึ่งกี่ใบนะรู้ไหม <inaudible> หรือสใบหรือห้าใบรางวัเนี้ ย, ย น, นะโอ้ดีมากเลยเนะถ้าไปถามคนท้ายที่ญี่ปุ่นนี่จะตอบได้เลย สใบนะประมาณสี่ใบห้าใบเขาสั่งความยินดีกับ ค, คุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรกัลไรถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กําไรแล้วยี่สิบล้าน<ม>ได้สิบล้านไม่มีความสุขนะไม่ดีใจนะนะสำหรับคุณป้าเนี่ยแกไม่คิดว่าแกได้นะแ ก, ไ ม, แกไม่คิดว่าแกไมนะ่คิดว่าแกได้สิบล้านนะแกคิดว่าแกเสียสิบล้านใช่ไหมแล้วเรื่องไม่จบแค่นี้นะวันรุ่งขึ้นคุณป้าก็ไม่มาตลาดหุ้น เพื่อนต่ะกูลก็เลยไปถามาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นลูกค้าของแกว่าเนี่ยคุณป้าให้ไปไหนบอกว่าตั้งคำตอบว่าคุณป้าเข้าโรงพยาบาลแล้วทราบไหมฮะเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรเครียดเครียดเครียดเพราะได้แค่สิบล้านใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะนะคุณได้ร้อยล้านคุณก็ทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีธรรมะนะแล้วคุณเสีย คุณก็ได้นะมีเมื่อปีห้ีมีน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมน้ำท่วมใหญ่หลายคนเนี่ยก็สูญเสียทรัพย์สมบัติเสียรถบ้านก็พังบางคนไม่ได้เสียแต่ทรัพย์นะเสียใจเสียจริตนะคือคุ้มคลั่งไปเลยแล้วก็เสียชีวิตก็มีค่าตัวตาย แต่มีบางคนเขาก็ทําใจได้เขาบอกเขาก็ก บ, บอกว่าเนี่ยน้ําท่วมครั้งนี้มันมาบอกให้คขารู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยทุกอย่างที่เรามีนี่เป็นของชั่วคราวไม่วันใดวั น, วนมันก็ต้องไปจากเราเ น, นี่ยสำหรับอาตมานเนี่ยอาตมาถือว่าแก่ได้นะแก่ได้ธรรมะและธรรมะเนี่ยจะช่วยทําให้แกไม่ทุกข์ในยางที่แกเสียครั้งต่อไปหรือเสียมากกว่า น, นี้ สมบัติเนี่ยหามีเงินก็หาใหม่ได้แต่ว่าธรรมะมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นั่นธรรมทีรรม่ทำให้เราในมีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยนะมันไม่ได้หมายความว่าทําบุญทําความดีถึงจะตกน้าไม่ไหลเท่านั้นนะมันมหมายถึงว่าคุณมีธรรมะด้วยคุณเจ็บคุณป่วยคุณก็ยังสุขได้เพราะว่ากลับจะบอกว่าขอบคุณที่เป็นมะเร็งด้วยซ้ำนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพยายามสร้างนะเรียนรู้ฝึกฝนใจให้มีธรรมะเยอะๆนี่จะช่วยให้เราเนี่ยนะมีความสุขได้ไม่ว่าเาชีวิตเราจะขึ้นหรือลงขึ้นเราก็ไม่เหลืองนะจมเราก็ไม่รู้สึกเหลวหรือทุกนะเราจะรู้สึกเป็นปกติมีความสุขได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เราตระหนักว่าเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยไม่ได้เพื่อใช้กรรมนะหลายคนบอกเนี่ยเกิดมาเพื่อใช้กรรมนะแต่จริงเราเกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่ด้วยใช้กรรมก็คือหมายถึงว่ากินบุญเก่าหรือว่ารับใช้กินบุญเก่าหรือว่าต้องชดใช้วิบากกรรมที่ทําในอดีตนะถ้าเราคิดว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมหรือเกิดมาเพื่อกินบุญเก่าเ น, นี่ยแย่นะเพราะบุญเก่ามีแต่จะหมดลงไป แต่เราถ้าเรา เ, เกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่นี่นะเราอยู่ถึงแม้ว่าอยู่อย่างประเทศที่มันยากจนเป็นเทเลซอาอิสเซเรลเราก็สามารถจะพลิกฟื้นให้มันอุดมสมบูรณ์ได้ชีวิตเราเนี่ยถึงแม้จะลำบากถึงแม้อดีตจะลำบากอย่างไรนะยากจนนะกระเสือกกระสนนะเจ็บป่วยนะพิการแต่ถ้าหากว่า เราไม่เชื่อว่าเกิดาเพใช้กรรมแต่เพื่อสร้างกรรมใหม่เราก็สามารถจะเปลี่ยนชิงเราเนี่ยที่มันยากลาบากให้กลายเป็นชีวิที่มีความสุขความเจริญได้นะก็ฝากไว้เท่านี้แหละนก็คิดว่าพวกเรานะ อ, าอยู่ที่นี่ก็มีความสุขกันอยู่แล้วนะแต่พูดเผื่อไว้นะในวันข้างหน้าพอเจอเรื่องเจอเหตุมากระทบแล้วนี่ อาจจะทุกข์ใจแล้วอาจจะไปดิ้วโอ้ยเราทํากรรมอะไรไม่ดีไว้หรือเปล่าในชาติที่แล้วนะอ่าต้องโทษ เ, <c oughs> เพราะเราไม่รู้เนีหนึ่งเราไม่รู้สองถึงเรารู้เนี่ยมันก็ไม่ไม่หมดหวังเพราะว่าเราสามารถจะสร้างกรรมใหม่เพื่อ ย, ยกชื่อเราให้ดีขึ้นได้ใช่ไหมนะกรรมเก่าไม่เคยเห็นเออเราไม่รู้เชื่อแต่กรรมใหมท่ที่แบบทีถ่ถูกต้องถูกต้องอ่า เพราะเนี่ยเมื่อเราอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนมันมันจะระบาดแค่ไหนนะเราเปลี่ยนที่นั่นให้เป็นที่ที่มันเป็นสวรรค์ได้เราอยู่ในโลกเราอยู่ น, นโลกเราก็เปลี่ย น, นโรกเป็นสวรรค์ได้เห็นไหมไม่ว่ามันอยู่ที่การกระทําของเราความเพียรของเราพระเจ้าตรัสว่ามนุษย์ลวงทุกข์ได้เพราะความเพียรนะ้าคุณเซเลวนี่เขามีความเพียรมากเลยนะเห็นเลยนะเขาเพียรมากและเนี่คือสิ่งที่เราน่าจะเรียนรู้จากเขานอกจากมาหาเงินหาทองจากเขาแล้วเนี่ยต้องหา หาแรงบันดาลใจจากเขาด้วยหาธรรมะจากเขาด้วยถึงแม้เขาจะตัวละคนละต่างศาสนากับเราแต่เขามีอะไรที่จะสอนเราได้มากนะมีใครสงสัยไหมแฟนเพจของวัดป่าสุกิตกันทุกคนหรอไม่เที่จะมาพูดเราก็รู้มได้เลยไม่ไม่ใช่เดี๋ยวจะแนะนําให้เข้าไปเป็นแฟนเพจกันทุกคนดีแล้วที่ไม่เป็นถ้าเป็นก็จะรู้ว่าที่ว่าพูดมันีอะไร ยกไปลยอิสราเอลยร์เพราะว่าไม่เคยยังไม่จริงๆที่จอยก็โพสให้ทุกคนอ่านเนาะแชร์ทุองันอาแชร์รื่แชร์อรปูชาวิสัชนา้างไม่นค่ะเออปัญหาสารพัดเลยเคยเข้าไปแอบถามอาจารย์เหมือนกันเอาจารย์คยตอบตอมั้ยตอบนะถามอ่มาตอบทุกคนนะตอบ้วตัวเองมีคนไม่จะถามว่าอาจารย์อาจารย์ตอบเองหรือเปล่าตอบเองอะตอบเอง ไม่ว่าไม่ว่าคําถามมันจะจะดูเหมือนตลกหรือว่าอะไรก็ตามนะแต่มีคนกรองนะมีคนกรองเว็บมาสเตอร์นี่เขาเขาส่งมาให้ตา ม, มาตอบ<ม>เขาเขาคงกรองแต่เขาไม่ได้กรองอะไรมากนะคําถามบางอย่างก็ไม่เห็นด้วยเขาก็ส่งมา <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็มีคําถามแบบนี้เยอะนะว่าเนี่ยเนี่ยมีปัญหาอกหักมีปัญหา <c oughs> เรื่อง <c oughs> เจ้านายไม่ดีขายของไม่ได้เป็นเพราะกรรมเก่าหรือเปล่าเนี่ยนะ <c oughs> ยแต่ก่อนขายดีในชะ่ไหมตอนหลังขายไม่ค่อยออกแล้วเนี่ย สงสารกรรมทำกรรมอะไรไม่ดีไว้ไหมอะไรเงี้ยเจอเจอแต่คนที่มีเจอแต่คนที่เจอแต่พ่อไม้เงี้ยบางเจอแต่พ่อไม้เนี่ยทำกรรมอะไรไม่ดีไว้เปล่าๆเนี่ยนะอาตมาบอกว่าเนี่ยหมพ่อไม้ก็ไม่ได้แย่เสมอไปพ่อแม่แหมเจอพ่อไม้ไม่แปลว่ามีแย่ถึงแม้อาถึงแมไปคิดว่าเ้ามือสองเขเปล่าใช่ ถึงไอ้สอดสสิงๆิก็แย่ ก, ก็มีใช่ไหมบางครั้งค<อ> ง, <อ>งต้องห <า S 1> ันมตัวเองแล้วคะ่ะเนี่ยต้องมาก็ตัวเองมาพิจารณาเนี่ยคือเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยมีอะไรก็โทษกรรมเก่าน ะ, ะทำอะไรไม่ดีไหมที่จริงเนี่ยเออเราพฤติกรรมเราเป็นอย่างไรเราเราเร า, เรามีมุมมองอย่างไรเราเลือกเราเลือกคนเราเลือกอย่างไรถ้าเราเลือกให้เป็นใช่ไหมเราก็ไปเลือกได้แต่คนที่ไม่ได้เลือกใช่ไหมแล้วเราก็มาเสียใจว่าทําไมเขาทิ้งเราไป แต่ไหมมันเริ่มตรงที่ว่าเราเลือกใครนะถ้าเราเลือกผิดนะเราก็ต้องรับผิดชอบต่อการเลือกของเขาใช่ไมมันไม่เกี่ยวกับกรรมเก่าเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างนั่นที่ที่จะามาหยาบิบภพกอบเราเาอเาแล้วช่วยมีจริงมีจริงและเขาจะมีอิทธิพลมีอิทธิพลแต่ว่ามีอิทธิพลแต่ไม่มากหมายความว่าสมมตินะส0ม Thank you sir thank you so much another tour but it was an honor okay thank you very much part f h i s ceremony thank you so much everyone thanks a lot thank you you know how to go back I know my way sir okay no I definitely know my way กรรมมีทิพยลแต่ว่าไม่มีทิพลเท่ากรรมใหม่เช่นบางคนสมมติพิการเนี่ยพิการเพรว่าทำกรรมไม่ดวาสมมตินะ พิการไม่ดีเพราะทำกรรมไม่ดีชาติทิ้แล้วใช่ั้ยแต่ว่าชาตินี้เนี่ยไม่ยอมแพ้ใช่ไหมไดิ้นรนค้นขวายหาความรู้ศึกษาทมใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ก็สามารถที่จะทำให้เจริญงอกงามมีความสุขได้อย่างผู้หญิงคนที่อาตมาว่านี่นะที่คนไต้หวันหวังเหมยหลิงเนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างไร มีคนหนเขาไปพูดที่มหาวิาทยาลัยแห่งหนึ่งโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนะเ้าก็มีนักเรียนมัธยมยกมือขึ้นถามว่าคุณเกิดมาพิการเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรน้อยเนื้อต่ําใจบ้างไหมคนที่ประชุมนีง่เงียบกริบเลยนะเพราะว่าปกติก็ไม่ถามแบบนี้ตรงๆกับคนพิการหวังเมย์ลิงก็ไม่ได้ไ ม, ไ, ด ไ, ม ไ, ดไม่ได้โมโหอะไรเธอก็หันไปเขียนฉันเขียนว่าเนี่ยฉันรู้สึกฉันคิดฉันมองตัวเองอย่างไร ข้อ 1. ฉันเป็นคนน่ารักสองฉันมีขาที่สวยงาม น, นะสามฉันมีพ่อที่ที่รักฉันสี่พระเจ้าก็รักฉันเธอเป็นคริสห้าฉันมีแม่ที่น่ารักนะหกฉันว่าลูกเขียนหนังสือได้ข้อที่เจ็ดที่คุณประทับใจแล้วมันสรุปทั้งหมดก็คือว่าฉันมองแต่สิ่งที่มีฉันไม่มองสิ่งที่ขาดใช่มเธอคนคนนะคนธรรมดามีร้อย แต่ใช้ร้อยไม่เต็มที่ใช้ไป 5% แต่คนบางคนอมาอย่างเงาี้มีแค่90แต่ใช้ไป 60-70% เอซนียนะอันนี้หนูเลยค่<น>ะอันนี้นเล <c oughs> มีเต็ม้อยแต่ไม่ค่อยได้ใช้มีเต็มร้อยใช้50นะมันไม่มีประโยชน์แต่ถ้าคุณมี90คุณใช้ไป 50% หรือเต็มร้อยนะโอ้โว่ก็คนได้ใช้แค่ีเอเอ่ <c oughs> อเนี้ย แต่คนเราเนี่ยจะใช้จะใช้ไม่เต็มร้อยเนี่ยใช้ไป50สิเพราะไปเอาแต่ท้อแท้ว่าฉันไม่มีโน่นฉันไม่มีนี่ทําไมฉันเกิดมาไม่มีอย่างโน้นทำไมเราเกิดมาไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมมองแต่สิ่งที่ไม่มีพอคุณมองสิ่งที่คุณไม่มีคุณท้อเลยคุณมองว่าทําไมเขามีรถสองคันทําไมเขามีบ้านหลังใหญ่ทําไมฉันไม่มีทําไมเขามีแฟนที่น่ารักทําไมเขามีลูกที่ที่เรียนเก่งฉันไม่มีแบบนั้นเลยคุณมองแบบนี้คุณทุกเลยทั้งที่คุณก็มีแฟนที่ดีทั้งที่คุณก็มีลูกที่ที่ดีใช่ไหม แต่คุณไปเทียบไปเปรียบเทียบเขา ม, มากเนี่ยคุณก็ทุกข์เลยว่าเนี่ย ใ, <ช>ใช่ไหมงั้นอย่ามองสิ่งที่ขาด น, นะมองสิ่งที่มีชื่นชมพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้แล้วคุณจะมีความสุขเหมือนภาษาฮิบรูเขาบ อ, อกว่าให้ดูน้ํนาที่มันเครื่องแก้วอ่ะอย่าไปดูตรงที่เั็นขาดมองน้ําที่มีไม่ใช่มองน้ําที่ขาด น, นะที่อมองแง่บวกเลี้ยงเครื่องทำน้นำชุ่มต่อไปไม่เป็นไร อามีใครหายไมเมื่อกี้พ่อจันบอกว่าผู้หญิงคนญี่ปุ่นเหรอวเมลินไต้หวันเขาพการสมองพิการเขาพูดไม่ได้เขาเดินไม่ได้อเอาแต่ว่าคือสติปัญญาอะไรหมดเาางเหมือนเหมือนกับเราทั่วไปเหมือนกับเราทั่วไปในแง่การคิดอฟังว่าสมองพิการแต่เา ทำยังไงถึงได้ครบแบบทุกอย่างนส่วนก็ไม่ครบหรอกเขาก็พูดไม่ได้เขาเขียนไม่ได้อเขาพูดไม่ได้เขาเดินไม่ได้อย่างสมองของเราเนี่ยเราเต็มร้อยใช่ไหมแต่สมองเขาเนี <Arabic> places, so, ่ยแค่เก so, like ้าสิบมองเราเต็มร้อยแต่ว่าข้างในเนี่ยมันมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเพราะเราไม่สนใจศึกษาความรู้เนี่ยมันก็สู่คนที่มีสมองแค่เก้าสิบแต่ว่าเขาเต็มที่นะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปมองสิ่งที่เราไม่มี ผ่นมาชื่นชมสิ่งที่เรามีและใช้ให้ให้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้ให้เต็มที่มีคนไทยคนหนึ่งนะแกคิดเหมือนกับหวังเหมยหลิงเลยแกชื่อกหนกวัน mm hmm. เกิดมาเนี่ยนะเป็นโรคธาลัสซีเมียโรคธาลัสซีเมียเป็นโรคเลือดนะติดมาจากพ่อแม่คนที่สานนี่เป็นกันเยอะนะเป็นพาหะ mm hmm. เวลาจะมีลูกนะต้องตรวจเลือด ก, ก่อนว่าพ่อมีมีเชื้อไหมแม่มีเชื้อไหม พรถ้าพ่อแม่มีเชื้อมีลูกปุ๊บเนี่ยเป็นร้อซแต่ถ้าพ่อพ่อแม่มีลูกไม่มีเออพ่อพอมีแม่ไม่มีนะมีลูกเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ครบ2องถ้าครบ2เมื่อไหร่นะเป็นทันทีแล้วก็เนี่ยอกมรกฏเนี่ยเขาเป็นทซิมีอย่างแรงหมอบอกว่าแต่เขาเล็กว่าเขาอยู่ได้ไม่เกิน20แต่เขาก็อยู่ได้เป็นส mm hmm. <30 S 2> ามสิบป่านนี้คง40่สิบแล้วมั้งแต่ว่าร่างกายกัพิการตัวเตีย้ยตาโปน นะก็ดูกเปราะหกลม้มทีไลแขนหากขาหักใส่เฝื่อไมไปแล้วสิบกว่าครั้งนะต้องรับเลือกทุกทิตยนะมีแต่เธอเป็นคนที่มีความสุขน้องด้วยคนก็ไปถามเธอเธอมีความสุขได้อย่างไรเธอก็ยัจะ ต, ตายเมื่อไหร่ไม่รู้น้องเธตายไปแล้วนะเมื่อสี่ห้าปีก่อนเพราะทรัตซินี่ยไมคนที่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เนี่ยถึงมีความสุขได้เธอบอกว่าเนี่ยแม้เลือดฉันจะแย่ ฉันมีตามองแต่ฉันมีตาเห็นสิ่งสวยงามฉันมีหูฟังเพลงที่เพลาะได้ฉันมีปากที่กินของอร่อยได้แล้วก็ฉันก็มีร่างกายที่เดินเหือนไปไหนมาไหนไ ด, ได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วเธอไม่มองสิ่งที่ขาดไงแต่ไม่มองสิ่งที่แย่แต่เธอมองสิ่งที่เธอมีและใช้มันให้เต็มที่มีตาก็เอาไว้ดูททัศ ท, ท, ท, ท, ที่สวยงามฉันมีหูก็เอาไปฟังเพลงที่ไพเราะเนี๋ยจะไปฟังเสียงด่า ท, ทาไมใช่ เออมีหูบางคนเอาหูเอาไว้ฟังเสียงด่าเยงี้มันก็ทุกข์เสีใช่ไหมเนี่ยเธอก็มีความสุขได้นังที่ร่างกายเนี่ยนะเปราะบางตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรารู้ว่าในชื่อของเราเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยชื่อเราจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าเราชื่อเราเนี่ยเจอเหตุร้ายซึ่งมันเป็นธรรมดาโลกทํางานไม่สําเร็จเป็นหนี้เจ็บป่วยเราก็ยังสามารถจะมีความสุขได้ สุขที่ใจแม่กายจะทุกข์นะเพราะเราเรามีธรรมะเรารู้จักความใจนะเอาแล้วนะก็ขอสมควรกับเวลาก็ถ้าสุดนี้ก็ขออ้างคุณพระศรีรัต น, นตรัยนะอมเหนือนอผลให้พวกเราทุกคนได้มีอายุวันณสุขาพละขออยู่ยังเป็นสุขนะปลอดภัยกายจากความทุกข์นะ สามารถก้าวข้ามอุปสรรคทั้งปวงได้ด้วยความเพียรนะก็ให้เจริญมั่นคงในธรรมได้แก่ทานศีลภาวนาสามารถพาจิตให้ออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเสมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทะุกคนเอิดอาจารนำห่งสือมานะอ่านะนะ